เรื่องปรับอาบัตท่านพระอานนท์ห้ากรณีหนึ่งครั้งนั้นภิกษุเทระทั้งหลาย กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์การที่ท่านไม่ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าสิกขาบทข้อไหนจัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยเรื่องนี้ปรับอาบัตทุกกฎแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัตนั้นท่านพระอานนท์ชี้แจงว่าท่านผู้เจริญ กระผมไม่ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าสิกขาบทข้อไหนที่จัดเป็นสิกขาบทเล็กน้อยเพราะระลึกไม่ได้กระผมไม่เห็นอาบัตทุกกฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลายกระผมจะแสดงอาบัตทุกกฎ 2. ภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าท่านอานอนท์ การที่ท่านเหยียบผ้าวัสสิกะสาดกของพระผู้มีพระภาคแล้วปะชุนเรื่องนี้ปรับอาบัติทุกกฎแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัตทุกกฎนั้นท่านพระอานนุ์ชี้แจงว่าท่านผู้เจริญกระผมเหยียบผ้าวัสสิกะสาดกของพระผู้มีพระภาคไม่ใช่เพราะความไม่เคารพ กระผมไม่เห็นอาบัตทุกกฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลายกระผมจะแสดงอาบัตทุกกฎ 3. ภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าท่านอานนท์การที่ท่านให้มาตุคามถวายอภิวาสสรีระของพระผู้มีพระภาคก่อนพระสรีระ จึงเปียกเปื้อนน้ำตาของมาตุคามเหล่านั้นผู้ร้องไห้เรื่องนี้ปรับอาบัตทุกกฎแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัตทุกกฎนั้นท่านพระอนนลชี้แจงว่าท่านผู้เจริญกระผมประหนักว่ามาตุคามเหล่านี้อย่ารออยู่จนถึงเวลาวิกาล จึงให้พวกเธอถวายอภิวาตพระศรีระของพระผู้มีพระภาคก่อนกระผมไม่เห็นอาบัตทุกกฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลายกระผมจะแสดงอาบัตทุกกฎ 4. ภิกษุผู้เถ ร, ระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าท่านอานน์การที่พระผู้มีพระภาค ทรงธรำรนิมิตโอภาษย่างหยาบหยาบท่านกลับไม่กราบทูลอ้อนวอนพระองค์ว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดํารงพระชนชีพอยู่ตลอดกับขอพระสุคตโปรดดํารงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่พระหูชนเพื่อความสุขแก่พระหูชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเรื่องนี้ปรับอาบัตทุกกฎแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัตทุกกฎนั้นท่านพระอานนท์ชี้แจงว่าท่านผู้เจริญกระผมถูกมารดนใจจึงไม่ได้กราบทูลอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคไว้ว่าขอพระผู้มีพระภาค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 กระผมจะแสดงอาบัตทุกกฎนั้น 5. ภิพิุผู้เถระทั้งหลายกล่าวต่อไปว่าท่านอานนนการที่ท่านขวนขวายให้มาตุคามบวชในพระธรรมวินัยอันพระตถาคตรประกาศไว้แล้วเรื่องนี้ปรับอาบัตทุกกฎแก่ท่านท่านจงแสดงอาบัตทุกกฎนั้น ท่านพระอนุนชี้แจงว่าท่านผู้เจริญกระผมขวนขวายให้มาตุคามบวชในพระธรร ม, มวินนยอันพระตถาคตประกาศไว้แล้วเพราะคิดว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีผู้นี้เป็นพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคเคยประคับประคองดูแลถวายกเกษียณทาน เมื่อพระชนนีสวรรคตรกระผมไม่เห็นอาบัตทุกกฎนั้นแต่เพราะเชื่อฟังท่านทั้งหลายกระผมจะแสดงอาบัตทุกกฎนั้น